ในบรรดาสงสารแนวความหลงขณะความหลงเรียกว่าพรเนพานถ้าแพ่ความหลงยังไม่ถึงพระเนพานแต่ก็เป็นเนพานเอ ก, กเทศเช่นพระสวัสดาบันเป็นเนพานเอ ก, กเทศพระจักรทาคามีก็เป็นพนนกกระเนพานเอกเทศพระจักรทาคามีก็เป็นพระเนปานเอกเทศพระอนาคาเมความเันกัน พระหันพระนี้พพานพ้นจากเอประเทศไปแล้วนิพพานคืออะไรคือไม่ยินดีในภพทั้งปวงทําให้แจ้งในภพทั้งปวงทําไม่ให้อะไรในรบในภพทั้งปวงดับสนิทจากภพทั้งปวงไม่ยินดีในภพทั้งปวงภพภบ มีการมาพบลูกพบพบลูกพะพบเรียกว่า พ, พ, พ, พบเหตุใดจึงไม่เย็นดีเพราะได้พิจารณาทองแท้แล้วมีแต่เกิดขึ้นและแปรปวนแลแต่สระายผลลัพธ์คือทุกไม่ลงธรรมาทุกในโลกไม่ลงธรรมาจะผิดกันแต่ทุกน้อยทุกมากเท่านั้น ทุกในสวรรค์ก็มาลงธรรมาภิสักทุกในพรหมโลกก็มาล ง, ลงธรรมาภิกเว้นพระนิพพานสักแล้วดังนั้นก็เป็นทุกข์กันอยู่ดีๆนี่เองแต่โลกุตตระทุกเบ่งออกเป็นสี่เบีออกเป็นสาม พระโสดาบันเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่แต่ไม่ไปอบายภูมิระเปรตตะเวทสายอสุรกายสัตย์ฉานสัตยนรกไม่ไปแต่เป็นทุกข์อยู่แต่ว่าทุกข์ส่วนยับยบับนั้นองค์ท่านปิดประตูแล้วเพราะองค์ท่านไม่เสียดายอยากโล่งละเมิดสินห้าไม่เสียดายอยากเดินอบายมุข ไม่เสียดายอยากจะถือศาสตร์ดาเอือไม่เสียดายอยากจะถือเลักยามดีไม่เสียดายอยากจ ะ, ะคบมิตรชั่วมันอยู่ในอบายมุกแล้วมิตรชั่วไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเรือเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพเป็นอาหาร ค้าขายนํำเมาค้าขายยาพิษการค้าขาย5อย่างนี้พระโสดาบันไม่เชี้ดายอยากจะประกอบเลยและจะและไม่ยินดีอยากจะถือประเทศอื่นนอกจาศศาสนาพุทธไปพระไม่ประมาทถ้าถือว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาโลกุตระ เหตุฉะนั้นจิตใจท่านจึงดิ่งลงในศาสนาพุทธสิงเดียวเป็นแกนของศาสนาเป็นแกนของศาสนาเป็นแกนของสากลศาสนานนส า, ากลศาน ส, า น, า ส, า น, สานาเป็นเมืองขึ้นศาสนาพุทธอยู่ในตัวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาไม่ได้พูดเข้าข้างตัวหรอก พูดตามเป็นจริงของธรรมเรียกว่าไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงเพราะรักตันเรียกสันธาคติไม่ลำเอียงเพราะรังเกียจตันเรียกโทสาคติไม่ลำเอียงเพราะเขาเรียกโมหาคติคาว่าลาเอียงเพราะเขาคือไเพราะไม่รู้ในเรื่องนั่นๆว่าดีชั่วเพียงไหน เรียกลำเพียงเพราะเขาเพราะโง่เพราะเขาเพราะเขาคบเรื่องนั้นไม่แตกก็เคยกลายเป็นลําเอีย ง, งไม่ลําเอียงเพราะกลัวถ้าจะพูดเปลงว่าจะปิดใจพูกนั้นพูดตามเป็นจริงเลยทองแดงก็ต้องว่าทองแดงตะกัวก็ต้องว่าตะกัวถ้าพูดไม่ตรงตามฐานะมันก็ลําเอียงอีกเหมือนกัน หินแ ท, แท้เราไปจ ะ, จะจะจะใส่ชื่อเรือนามว่าวิเศษวิสูเป็นทองมันก็ไม่ถูกสิ่งที่ควรให้เกลียดล้วไปตีเสมอกันซะแล้วก็บาปมากท่านเพื่อใดไปยกนัดที่อื่นๆเสมอเหมือนคำสอนพระพุทธเจ้าเสมอกันหมด คนนั่นก็สร้างนะรกโดยไม่รูดตัวเพราะไม่รู้จักของดีของชั่วไปตีเสมอฆ่ากันหมดเราไปตีเสมอเหมือนมิตรเหมือนสหายมันก็ไม่ถูกวิราเขาเป็นวิราเต็มภูมิมานาก็าเป็นมานาเต็มภูมิครัวาอาจารย์ก็เหมือนกันมิตรสหายก็เหมือนกัน ภรรยาก็เหมือนกันภรรยาก็เต็มภูมิสามีก็เป็นสามีเต็มภูมิคู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาลงแล้วปัญหาไม่มากถ้าหากว่าถือว่าพระพุทธศาสนา ย, ยังตําต้อย ก, กว่าลัทธิใดๆทั้งปวงตานเขาแล้วพระพุทธศาสนามันก็ลังเลสงสัยและบุกคราำอยู่นั่นเอง เพราะเหตุใดเพราะปัญญายังไม่ถึงและศรัทธาก็ยังไม่ถึงยังอ่อนอยู่ยังเป็นหอกบัวอยู่ใต้น้ำยังไม่ถึงหอกบัวที่กำลังจะเป็นตูมถ้าหอกบัวจะเป็นตูมแล้วมีหน้าที่อยู่ทางเดียวจะบานเท่านั้นเพราะพ้นน้ำไปแล้วผู้ใดมีกิจอยู่ในระดับใด ก็ต้องเลื่อมใสในระดับนั้นเพราะอะไรเพราะกําจำแนกสัตว์ทั้งหลายเขาเรียกจำแนกไม่จำาแนกไม่ทราบจำแนกนะถูกไหมฮะํ <laughs> าจำแนกสัตว์เราก็อ่อนภาษาอยู่เหมือนกัน กรรมวิเนาวัตติโลกูสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมผู้ที่ยืนยันพระพุทธศาสนายอมออกอดแท่งกอดขาพระพุทธศาสนาตายคากันก็คือนับแต่สุพเจปนูเป็นต้นไปหลือนากนั่นหลายบางที บางทีแวะซ้ายบางทีแวะขวาบางทีถอยหลังบางทีเดินหน้าส่วนสุปฏิปโนเดินหน้าเลยไม่แวะซ้ายแลขวาไม่สงสัยจะเดินช้าหรือเร็วก็เย็นสบายแล้วเพราะไม่สงสัยในวัคผลณในพานด้วยไม่สงสัยในพระพุณทศาันะด้วยดิงลงไปทางถูกมันก็ถอนไม่ออกดิงลงปลาทางผิดมันก็ถอนไม่ออก นอกาการเก็บของจะเห็นโทษเองเท่านั้นดิ่งไปในทางผิดเช่นจำพวกที่ถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญมันก็ถอนไม่ออกแต่พอเราจะถอนออกมันก็สายไปเสียสายคือหมดเวลาเล้วคือหมดทุนจะต่อสู้ก็ยอ ม, ยอมต้องยอมแพ้ความหลงของตนไปัก ไม่ยอมแพ้ความหลงของท่านผู้อื่นชนะก็ชนะความหลงของตนแพ้ก็แพ้ความหลงของตนในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่จะชนะกันที่สำคัญว่าคนนั่นชนะคนนี่ชนะเออทีมนั่นชนะทีมนี่ชนะมันไม่ใช่ชนะมันเวนสนองเวนพระอรหันต์จำพวกเดียวนะ ชนะสงครามร่างโลกพระสวสดา์วันชนะสงครามยึดได้ที่ไหนไม่ขบดคืนพระทักทาคามีเขยึดยึดได้ไม่ขบดคืนพระนาคามีก็ยึดได้อีกไม่ขบดคืนพระรหันไม่ขบดคืนเลยชนะสงครามร่างโลก โรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรค ก, กายโรคใจข้ามไปแล้วไม่ได้ติดอยู่เรียอว่าสงขรามร่างโรครูดเท่าตาด้วยรูดเท่าหูด้วยรูดเท่าจมูกด้วยรูดเท่าลิ้นด้วยรูดเท่ากายด้วยรูดเท่าใจด้วยรูดเท่ารูปด้วยรูดเท่านามด้วยถ้าย่นลงเป็นสองตาหูจมูกกายเรียนกายใจย่นลงเป็นสอง ตาหูจะมูกรูนกายย่นลงเป็นรูปขันใจย่นลงเป็นนามขันนี่เขาเรียกว่ารูปเหมือนกันท่านรูปหมดท่านไม่ติดอยู่ในผู้รูด้วยรูปตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยลุดพ้นตามเป็นจริงด้วยไม่กลับคืนมาขบอีกเลยเหมือนที่วดานำลายทิ้งไม่ขบคืนว่าจะเอามาแทบปากอีก เพราะมันไม่มีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเห็นว่าสิ่งไหนที่เป็นโทษชัดสิงนั้นก็ไม่สามารถจะร่วงละเมิดที่มันร่วงละเมิดก็เพราะมันไม่เห็นว่าเป็นโทษชัดเมื่อเห็นเป็นโทษชัดแล้วการเว้นมันก็ไม่ลำบากถ้าเห็นว่าอาวายมุฒเป็นโทษต้องการละก็ไม่ลาบาก การเว้ก็ไม่ลำบากไม่เสียดายอย่าไปล่วงเลยนั่นท่านผู้พ้นทามักยีเดชไปเป็นท่านข้ามข้อย่างนั้นเองที่มันล่วงที่มันวางไม่ได้ที่มันเว้นไม่ได้ก็พราะมันมีทิฏฐิเห็นผิดอยู่ว่ามันจะเจริญอยู่บ้างมันจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกระมังมันมีกระมังอยู่ ที่มันไม่ก้าล่วงมันไม่มีกำลังมันชัดแล้วมันไม่สงสัยมันก็เลยไม่ล่วงซะเช่นสุปฏิปโนไม่เสียดายอยากลองละเมิดสินหานี่นเองจะนั่งภาวนาหรือไม่นั่งก็ตามท่านไม่เสียดายอยากรองละเมิดสินหาของท่านท่านไม่เสียดายอยาจะถือศาสดาอื่นเพราะท่านเห็นชัดแล้วเตี้ยปัญญาจักสุขจักสุขคือปัญญา เรียกว่าทำไม้จักสุท่านสําเร็จทำไม้จักสุในเบื้องต้นแล้วสุภเชมบนะจักสุคือดวงตาสมันตะจักสุจักสุรอบครอบปัญญาจักสุปักจักสุคือปัญญาเห็นทุกขณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยกองทุกเห็นอะไนี่จังขณะจิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว เห็นพร้อมกันกันกบลมห า, ายใจเข้าออกด้วยเห็นพร้อมกันกับขณะคิตเทนนต์คิดด้วยอันนี้จังเนี่ยไม่ได้เพียงประทางอื่นเห็นทั้งคำพูดเห็นทั้งคํานึกคิดด้วยเกิดเขาเรียกก็แฟปวนน่าแตกสลายอันนี้อันนี้จังอันละเอียดพูดใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่ฟังใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่ไอ้จะแทรกกับเรื่องเก่านั่นเองสวัสดีปีใหม่ก็ปีเก่าคือใกล้จะตายกับปีกายนี้นะ่น ทีนี้มันมเวลามี น, น้อยนะเนี่ยนะจะมาพูดอยู่อย่างมียไม่ไหวนะอะ <c oughs> จะทำอะไรซะเอ่อ